เรื่องกุมภะโคสกะพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันส่งปรารพเศรษฐีชื่อกุมภะโคสกะครั้งหนึ่งในกรุงราชฤรษ์เกิดอหฮิวาตะกะโรคระบาดคนสัตว์ตายเป็นนันมากสามีพัญญาเศรษฐีติดโรคใกล้ตายจึงสั่งเสียบุตรชายให้หนีไปโดยเร็วมีชีวิตอยู่จึงค่อยกลับมาอีก แล้วขุดเอาทรัพส์4สบโกดที่ฝังไว้ขึ้นมาเลี้ยงชีวิตขึ้นอยู่ต่อไปชีวิตเจ้าคงไม่รอดแน่เขาฟังคำบิดามารดาแล้วร้องไห้ไวหวแล้วไปสู่ป่าแห่งภูเขาลูกหนึ่งด้วยกลัวภัยแห่งความตายสิ้น12บสองปีจึงกลับมาเขากลับบ้านเดิมไม่มีใครจำได้ด้วยโตเป็นหนุ่มมีหนวดคราวขึ้นรุงรังเขาไปสู่เครื่องยังรั์จาเครื่องหมายได้ แต่พลางคิดว่าถ้าจะขุดขึ้นมาตอนนี้จะอาจถูกเบียดเบียนจึงไปหางาน ร, รับจ้างเลี้ยงชีวิตกลุมมะโคสกะได้งานมีหน้าที่เรียกร้องปลุกชาวบ้านและร้องเตือนให้คนทั้งหลายตื่นตอนเช้าตรู่เพื่อออกไปทํางานการอาชีพมีการผูกเกลียนเทียมโคเป็นต้นและชาวบ้านนั้นได้ให้เรือนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่แก่เขาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ใกล้ให้เขาได้ทําการงานนี้ทุกวัน วันหนึ่งพระราชาพิมพิสารทรงสดับเสียงเรียกตะโกนของเขาเท้าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญทรงทราบเสียงร้องของคนและสัตว์ทั้งปวงทรงรู้ว่านั่นเป็นเสียงของผู้มีทรัพย์มากพระสนมได้ยินจึงให้คนรับใช้ไปสืบดูมอรายงานว่าเป็นคนกำพร้ารับจ้างทำงานคนหนึ่งในวันต่ อ, ตอมาพระราชาทรงตรัสเช่นเดิมอีกพระสนมก็ให้คนรับใช้ไปดูอีก ก็ได้ทราบความเดิมส่วนคนรับใช้ไปหลายครั้งก็ได้รับรายงานเช่นเดิมทุกครั้งนางคิดว่าพระราชาทรงเมตตัเ์เหลวไหลเป็นแน่นางจึงทูลขอสักดึง0 0 0กะหาปณะนะออกไปค้นหาความจริงเอาอุบายให้ทรับนั้นเข้าสู่ราชสกุลให้จงได้นางลทัทธิดาปลอมตนเป็นคนเดินทางนุ่งผ้ากเก่าเข้าไปขอพักที่บ้านของนายกุมภาโคสกะ พุงหาอาหารเลิดรสให้กินออกอุบายจนนายกุมภะโคสกะเสียรู้จนได้เสียกับธิดาเป็นพัญยาวันหนึ่งจึงออกอุบายขอเงินนายกุมภะโคสกะเป็นค่าซื้ออาหารจนนายกุมภะโคสกะต้องจ่ายทรับเพราะอุบายของนางสนมและจ่ายทรับเป็นค่าจัดงานมหระศกย่านถนนแห่งคนรับจ้าง นางสนมส่งกระหาปณะไปแล้วสู่สำนักพระราชวังถวายพระราชาส่งสั่งบุรุษมานำตัวในกุมพระโคสกะไปเฝ้าทรงซักถามถึงที่ซ่อนสมบัติจนยอมบอกความจริงว่ามีทรัพย์สี่สบโกดจริงแล้วขนทรัพย์นั้นเข้ามาถวายได้รับตำแหน่งเศรษฐีพระศาสดาตรัสพระคาถาว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่ง แก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติไคร้ครวนแล้วจึงทรรมสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในการจบพระาคาถากลุ่มพระโคสกะดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรุอริยามรรคทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนอย่างนี้แหละ